เป็นคอนเดียวนะหลังจากเราตดเงินทำบัตรแต่พอฟังทำใครการฟังทำมัดที่ต่างฟังเพื่อเอาใจทำเรียกว่าฟังทำขอโพลเอาไปทาทอทักนะถ้าเราฟังทำเพื่อติดให้เรารู้ปิดให้เราจำ ไม่เอาไปกระทำมันก็แท บ, บจะไม่เกิดผลเนาะเพราะที่จริงการฝังธรรมก็เพื่อให้เราได้เอาไปใช้หรือนะว่าเอาไปใช้ในชีวิตของเราเนี่ยแหละนะการฝังธรรมมันถึงจะเกิดคนะหมวอนเราเรีย น, นังนซือเราศึกษาอะไรนะถ้าเราเรียนแค่รู้ในเชิงทฤษฎีรู้ความหมายแต่ถ้าเราเรยไม่เอาไปกระทํามันก็ยังไม่เกิดความ ตนะำนานนะในในโลกของเราเองนั้นการฝังธรรมจริงเพแค่ฝังเพื่อให้พวกเราเอาไปกระทำต่อนะที่จริงไม่แต่การสวดมน้นเหมือนการนนะักนะในศตสนาอื่นหรือในบางด้าที่การสวดมนต์นะเพือ่อออนวอนขอล้องหรือว่าเพื่อบูชาเพื่อสนรเสริญนะพระเจ้าหรือว่าสิสธิศิษฐ์นะ เพื่อให้โดนบันดาลเพื่อให้สมความปรารถนาะอันนั้นก็ยังไม่ถูกเท่าไรแต่างที่จะพูดเราคนหนึ่งนะก็เวลาสวดมนต์เวลาทำบุญเวลาอธิษฐานก็มักจะทำคล้ายๆแบบนั้นแหละนะทำเพื่อเหมือนขอให้เราสมสมหวังนะขอพรนะให้รุดติดหรือให้พระพุทธเจ้าให อะไรเรดิมาวลาให้เราสำเร็จอันนั้นอันนั้นยังไม่ถูกเนาะทีนะ่จริงการสวดมนต์กนะารสวดมนต์เพื่อนะให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทนะ่านมีคุณสมบัติอย่างไรนะแล้วก็อะไรเป็นเหตุทำให้ท่านเข้าสุนตรงนั้นนะอย่างเราสวดเมื่อสักครู่เนะีนะ่ยเป็นบทที่เรียกว่า อันนี้เป็นเป็นทางสายกลางพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นทางสายกลางทางสายกลางนี่คืออะไรทางสายกลางก็คือทางที่นําไปสู่ความค้นทุกข์นะพูดง่ายๆนี่ย ห, หรือทางสายกลางนี่คือคือทางที่เป็นสู่ความเป็นพระอราหันต์หรือเข้าถึงพระดิพาณ เมื่อเราพูดถึงทางสายการเนี่ยมันก็ต้องมีอะไที่มันไม่การเนี่ยการก็คือความเป็นการสมบูรณดีดนั้นก็ต้องมีทางที่มันไม่การทางที่มันไม่ได้ทางตาการเลยอะไรเรียกว่าทางสุดโต่งครับทางสุดโต่งเมื่อเรามีการขึ้นนะเมื่อแต่มาตรงกลางก็มีฝั่งซ้ายจะมามีฝั่งขวาจะมาเราอยู่ตรงกลางนะ ต้องมีทางสุดโต่งก็มีสองทางนะทางสุดโต้องนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่าไเจ้าเจอนะเราลองระลึกถึงชีวิตของเราเองก็เจอแบบนั้นนะทุกๆคนนแหละนะเจอแบบนี้ไม่ทางสุดโต่งสองด้านก็คือว่าพูดง่ายๆก็คืออย่างนึงก็คือการติดสุข mm hmm. ติดสบายนะหรือติดความเคยชินนะนะีนะ่แหละ เราเคยไม่เวลาเราจะทำอะไรใหม่ๆบางกีเราก็จะกลัวเราก็จะกังวลเพราะว่าเราเราเคยชินในความความสบายความคุ้นเคยถือว่าอันเนี้ยอ่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วไม่อยากไปทําอะไรที่มันฝืนนะหืออยากไปทําอะไรที่มันมใหม่ๆนะอันนี้เรียกว่าการการติดตุกนะการติดตุกก็มีหลายแบบเนาะหลายแบบนะ เป็นเราติดในรสชาติอาหารที่ อ, อร่อยนะติดในเสียงเพลงที่ไพเราะนะหรือจริงก็าจะพูดทีอย่างละเราก็ชอบถ้าคนมาชมนะก็ไม่ชอบถ้าคนมาว่ามาตำหนิใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าเป็นการติดสุขหรือว่าเมื่อเราเจนติดที่เราสมหวังนะเราชอบเราปรารถนาเราอยากได้สิ่งนี้ เราได้มา น, นี่เรียกว่าเกิดความพอใจนะก็เป็นความสุขใจนะแต่ถ้าเราเจอสิ่งที่ไม่พอใจไม่อยากเจออันนี้ก็เป็นความทุกข์ใจอันนี้นะความสุขความสบายเนาะเราก็ต้องเจอเลแหละนะ น, นี่คือเรียกว่าความสุขตรงด้านนึ่งนะการติดสุขนะคำมันมันแยกสองคาเนาะคำว่าติดกับคำว่าสุข คว่าสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่เจอได้นะนะแต่ถ้าเราไปยึดมั่นหรือมั่นไปนติดมันเนี่ยทีอนี่เรีกสุดโต่งนะนะแต่อารมีความสุขนะไ ม, ไม่ไม่ใช่ความสุดโต่งนะนะต้องเข้าใจตรงนีนะ้เราสมในสิ่งที่เราปรารถนานะหรือเราภาวนาแล้วเรามีความสุขใจอันนี้เราสุขแต่เราไม่ยึดนะ เราไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันจะต้องอยู่ตลอดไปนะเป็นตัวเป็นตนของเราอันนั้นไม่เรียกว่าจิตนะเป็นเรียกว่าเป็นผู้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงนะหรือเราอยู่ในห้องนี้นสบายนะมีความสุขกายนะอันนี้ก็คือเราก็สา ม, มารถสัมผัสกับความสุขไดนะ้แต่เราไม่ต้องไปยึดมั่นว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปอันนี้ทีแต่กัน ไม่ติดสุขนะอันเนี้ยคนส่วนหนึ่งคนส่วนใหญ่โลกก็มักจะอย่างนี้แหละนะก็ยังเคยชินกับความสุขความสบายหลายคนก็ยังคิดว่าชีวิตเองมีความสุข ด, ดีนะต้องมาปฏิบัติทําทํำไมต้องมาศึกษาธรรมะทํำไมชีวิตก็ครอบครัวก็โอเคการางานก็ดีนะลูกหลานก็ใช้ได้นะอันนั้นข้อมองแบบ เรียกว่าอะไรมองด้านหนึ่งนะมองด้านหนึ่งแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งมันแน่นอนไหมครนะอบครัวเราที่ตอนนี้มันโอเคต่อไปอถ้าผู้กครองของเราก็เสียชีวิตแสดงเรียกว่าโอเคอยู่ไหมนะถ้าลูกหลานเราประสบอุบัติเหตุหรือนะตกงานมันเป็จะเรียกว่าเขาโอเคอยู่หรือเปล่านะีอันเนี้ยคือมัน โอเคมในสภาพตอนนี้นะแต่มันเป็นสิ่งที่ยังไม่แน่นอนเนะี่ยบางคิดมื่าคืนบางทีเราก็ว่าน่านตายเราก็ยังมีอยู่ยังแข็งแรงอยูนะ่ไม่เห็นไมนกก่ได้ทุกข์เท่าไหร่เลยนะอหิวก็ไปกินข้าวเมื่อยก็นอนพักเนะีมันก็สบายแล้วแต่เราจะรู้ไหมว่าวันใดเราจะเป็นมะเร็งอ <c oughs> าจจะเป็นแล้วแต่ยังไม่รู้ก็ได้นะ <c oughs> วันใดเราจะ ประสบอุบัติเหตุนะเราดูไหมวันไหนเราจะตายแต่ว่าต้องถามตัวเองถ้าวันนั้นมาถึงเราแน่ใจไหมว่าเราจะอยู่ได้อย่างอย่างมีสุขใจนะเรายังคิดว่าเรายังอยู่ได้แบบเราจะมีความสุขใจได้หรือเปล่าต้องคนพอใจในความสุขความสบายที่ตัวมีก็ก็เลยใช้ชีวิตแบบ เรื่อยๆ เ, เกิดไปหรือว่าใช้ชีวิตแบบตามที่เคยทํามานั่นแหละนะก็คิดว่าชีวิตที่ทํามาตอนนี้มันก็ดีแล้วไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะอันนี้ก็มันก็เป็นเหตุนะเป็นเหตุให้ทําไมเกิดการเวียนว่ายใจเกิดทับแล้วทักเล่านะเพราะเราย่างพอใจในการมีชีวิตเช่นนี้อยู่นะอันนี้คือการติดในความสุข แต่ก็มีอีกด้านหนึ่งนะสุดโตรงอีกด้านหนึ่งนะการเรียกว่าติดทุกข์นะคาว่าติดทุกข์เนี่ยจะติดโดยความตั้งใจหรือติดด้วยความไม่ตั้งใจนะก็เรียกว่าติดทุกข์นะคำว่าติดทุกข์โดยไม่ตั้งใจเช่นก็ไม่อยากติดทุกข์นะนะเช่นเจอความสูญเสียเจอความเจ็บไข้ที่ป่วยก็ไม่อยากติดทุกข์ แต่ก็รู้จะออกเด็ดทุกอย่างเลยไม่รู้วิธีออกนะรู้แต่วิธีแก้แบบลกโรนะไปกินไปเที่ยวนะไปทำอะไรให้มันดะึงไปแต่พอสุดท้ายก็กต้องพอคิดอีกก็ทุกเหมือนเดิมนะอันนี้เรียกว่าเรามีความทุกข์แต่เราไม่รู้จักวิธีออกเด็ดทุกข์แต่ก็จะมีคนอีกคนหนึ่งนะคิดว่าต้องทรมานร่างกายให้มันทุกข์สุด ติตใจไม่ได้โคนจากความทุกข์นะอ่าเขาอาจะคิดว่าเหมือนเราต้องเป็เผาบ้านอ่อคนอยู่ในบ้านจะหนีออกมาหรือเปล่านะมันไม่ใช่นะที่จริงถ้าจะเปรียบเทียบ ง, ง่ายๆก็ใช่นะสมดร่างกายเราเป็นเป็นบ้านอ่คนที่อยู่อาศัยในบ้านก็คือจิตใจนะถ้าเปรียบเทียบ ง, ง่ายๆแต่ตามพอรมรมาณร่างกาย ไม่ใช่เป็นเหตุแต่ให้จิตใจมันเป็นอิสระหรือพน้นออกมานะยิ่งทรมารร่างกายมากเท่าไหจิตใจก็ยิ่งทุกข์มากตอนนั้นอันนั้นวิธีการสมัยก่อนนนเนาะไปทรมารร่างกายจิตใจไม่ได้ไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงหรอกยิ่งไปเผาไหม้บ้านสัเองก็ถูกเผาไหม้อยู่ในบ้านนั่นแหละตายไปด้วยนี่คือทางสุโขนะ หรืบางทีเราอาจจะคิดว่ามันสุโต่งเกินไปนแต่จริงสุดโตงน้อยกว่า น, นั้นนะแต่คนก็ยังคิดว่าต้องแบบนี้แหละเราคิดว่าตามฏิบัตรทำเนี่ยถ้าใครนั่งได้นานๆนะหรือว่าเดินจำกลได้นานๆนะคนกับทุกขเวทนาได้มากกว่าอันนั้นอะ่ะมันถึงจะทําให้เราอนะ่เข้าถึงธรรมะ ทนะำให้จิตเราเป็นสละได้จริงๆที่จริงมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สูตรแบบนั้นเสมอไปนะนะมันอยู่ที่คุณภาพของจิตใจในการอยู่กับสภาวะ น, นั้นนะถ้าเราเขียนแค่อาศัยความอดทนนะอาศัยความอดกลั้นคนคนได้นานกว่าแต่จิตมันไม่ได้มีคุณภาพในการ เป็นผู้ดูไม่ได้มีสตินะมันก็ได้เป็นแค่ขันตะินั่งได้นานกว่าเป็นพิเศษอะไรนะไก่นะเวลาเขากดไข่นะกดเป็นวันกดเป็นคืนนะใช่ไหหรือสัตว์บางชนิดเช่นกดคือหมีเวลาเขาจำศีลนะเขาก็อยู่ในที่เดิมน า, นานเป็นหลายเดือนนะใช่ไหมอันนั้นเราเอง นะนั่งเล่อนานเป็นห้าหกชั่วโมงเป็นวันก็ไม่ได้พิเศษกว่ากรดไก่ที่เขากรดไข่นะ่ไม่ได้พิเศษกว่าปกหรือหมีที่เขาจินีลนะหรือไม่ได้พิเศษกว่าถ้าบางคนมันเป็นแค่ตากรรมเนาะต้องนอนตัวยอยู่บนเตียงตลอดนะเป็นหลายวันเป็นหลายเดือนมันหนีไม่ได้อาศัยความอดทนอย่างเดียวนะอยู่ในอยาบดนเดิมอย่างเดียว มันต้องไม่ใช่ว่าเป็นทาง น, นะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนต่างจากตรงนี้นะคือเราไม่เราไม่ต้องไปท น, นทุกข์เราไม่ได้จมกับความทุกข์นะนะแต่เรามาเรียนรู้จากความทุกข์นะนะทางสายกลางนะคือการเรียนรู้จากกับความทุกข์นะคนเรารู้สึกคิดมีความทุกข์ไหย ม, มีไหม ใครที่ว่าชีวิตนี้ไม่มีความทุกข์มีไหมอืมอืมีกายมีใจก็ทุกข์แล้วใช่ถ้าคนที่มีปัญญาจะเคยได้ฟังหรือได้สังเกตจริงๆเนาะเพราะมีกายเพราะมีใจมันเลยมีความทุกข์ใช่มเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยไม่มีใครไม่มีกายไม่มีใครไม่มีใจเมื่อเรามีกายเมื่อเรามีใจ มันก็เลยมีความทุกข์นะเหมือนเรามีการเกิดเราก็เลยมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายใช่อันนี้คือร่างกายนะเราหนีไม่พ้นเนาะนะร่างกายเมื่อเรามีการเกิดก็ต้องมีการเจ็บธรรมดาเลยอันนี้คือความทุกข์ของกายเนาะเราหนีไม่พ้นน ะ, นะแต่บางทีความทุกข์ใจมันเกิดจากอะไร ความรู้ใจเกิดจากอะไรเช่นเมื่อเมื่อไกงมันเจ็บเราไปยึดว่าขาจะเจ็บหัวจะนปวดท้องฉันทรมานเนยเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไปยึดนไปยึดว่างกายเป็นของเราเราก็เลยต้องจับทุกกายเราก็เลยทุกใจหรือ จิตใจก็เหมือนกันนะจิตใจเมื่อเกิดอกติลเกิดความคิดที่ไม่ดีเกิดนะสิ่งรุนวายใจต่อนะทุกข์เพราะอะไรฉันคิดไม่ดีฉันไม่น่าคิดอย่างนี้กับพระเลยฉันไม่น่าคิดอย่างนี้กับเพื่อนเลยฉันไม่น่าโกรธพ่อแม่เลยคือเราหลง่ โ, งโกรธแล้วแต่เราก็ยังมีความ โกรธตัวเองที่ไปโกรธเขาเอีกนีมันซ้อนเลยนะนะเพราเราคิดว่าเราเป็นเราเป็นผู้คิดจริงๆเราเป็นผู้โกรธจริงๆแต่ถ้าเมื่อไร่ที่เรามีสติเป็นผู้เห็นเราจะเห็นเราจะแยกได้ว่าอาการโกรธมันเป็นอันหนึ่งแต่เหมือนเช่จิตของเราจริงๆนี <c oughs> ่มันเหมือนตรงวัฏนะเหมือนตรงวัฏที่ บางคนอาจจะเป็นนเป็นพ่อบางคนอาจจะเป็นแม่บางคนเป็นลูกบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นพระเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเป็นตอนไหนเราก็เป็นแค่เราเป็นพ่อก็ตอนที่เราอยู่กับลูกเราเป็นลูกก็ตอนที่เราอยู่กับพ่อกับแม่ใช่ไหมเราไปอยู่ในที่ทํางานเราจะเป็นผู้ราชการอาจจะเป็นพนักงานน่ะ มันเป็นแค่ชั่วขณะนะแต่มันไม่ใช่เราจริงๆใช่ไหมความคิดหรืออารมณ์ก็เหมือนกันนะมันเหมือนกับตําแหน่งที่เราเป็นชั่วขณะนะมันเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วขณะถ้าเราเห็นแบบเนี้ยอ๋ออันนี้แหละคลําว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆมันคือมันเป็ น, นเพียงแค่การเกิดชั่วคราวและที่จริงการเกิดทางอารมณ์การเกิดทง า, ง, าดทงความคิดเนะี่ย มันตั้งมันตั้งกว่าการที่เราเป็นแบบสมมติเยอะมากเลยใช่ไหมยอย่างเราทำงานเราจะต้องเป็นในงานที่เราทำหลายชั่วโมงนะต่อวันแต่ถ้าใครสังเกตดูความคิดดูอรมได้มันเกิดนานไหมเวลาโกรธเกิดนานไหม<ร>นานเพราะเพราะเราไปจมกับมันใช่ไหมเพราะเรา เพรเราไปยึดพรเราไปจมมันก็เลยนานแต่เคยเห็นไหมบางความโกรธบางอย่างก็ไม่นานมีไหมรัดๆแล้วก็ไปมี้อันนี้มันมันไม่แน่นอนนะความอยากตรงเดียกันเคยไหมบางทีบางอยากบางอยา่างนิทานเนาะกว่าจะหายตอนได้มาละว <c oughs> ต้องเอาให้ได้นะอาจจะอาจจะรู้สึกอยากอันนี้นะอยากได้โทรศัพท์ใหม่เนี อยากได้รถคันใหม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่ความอยากแบบ่ในจินานน่อใช่ไหมมันจะหายก็ตอนเมื่อเราได้ขึ้นมาแต่บางทีก็มีความอยากที่แว๊บแว๊บบางทีแคอยู่โฆษณาอยากได้แต่บางทีโฆษณาใหม่เนาะไอความอยากได้เมื่อกี้หายไปล้วอยากได้คันใหม่ขึ้นมาแทนที่มีมไหม <c oughs> ม, มันไม่แน่น้อใช่ไหมเนี่ยนี่คืออารมณ์เนาะที่มันเกิดขึ้นมา ชั่วคราวนะเปิมาชั่วคราวถ้าเราเห็นเราจะแยกได้อ๋ออันนี้เรื่องของกายเป็นกายมันเจ็บมันก็เรื่องของกายนะที่จริงมันแยกได้อีกนะว่ากายก็ส่วนหนึง่งความเจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งความเจ็บมันแทรกเข้ามาเมื่อกี้มันยังไม่เจ็บความเจ็บมันแทรกเข้ามาในกายใช่ความร้อนความหนาวก็เหมือนกัน มันก็เกี่แค่อาการที่เกิดกับกายใจเองก็เหมือนกันนะเนี่นใจตอนนี้มีอารมณ์อะไรไหมเฉยๆนะตอนแดดเฉยๆแต่บางทีพอมาถามมีอารมณ์อะไรไหมเราเริ่มสงสัยแลมีหรือเปล่าเริ่มคิดนะเริ่มเริ่มมาดูวิมีอารมณ์อะไรไหมบางคนก็เฉยดูเฉยแต่บางคนก็เริ่มคิดหา เริ่มคิดหาว่าเรามีอะไรไหมอันนี้คือที่จริงพื้นๆมันอ่ะมันเฉยๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพีปแค่อาการเหมือนโทรทัศน์อ่ะโทรทัศน์ถ้าเราไม่เปิดนะก็ไม่มีรายการอะไรใช่ไหมออาการที่รายการต่างๆมันมาทางพื้นมามาทางเคเบิล อ, อะไรก็มันมีอยู่นะแต่ถ้าเราไม่เปิดดูมันก็ไม่เห็นใช่ไหม อืถ้าเราปิดซะมันก็ดับไปละจิตเราก็เหมือนกันนะถ้าเราถ้าเราจะดานถ้าเราไปฝุกหัดเราจะรู้จักเหมือนปิดรการเหมือนบ้าแต่ตอนนี้พวกเราเองเป็นเหมือนคนที่เปิดทีวีทั้งวันทั้งคืนน ะ, <c ười> ะหรือเปิดวิทยุทั้งวันทั้งคืนเลยไม่เคยหยุดได้ไหมเหมือนจบเรื่องนี้ก็ไปต่อเรื่องนั้นเรื่อยเลยตั้งแต่ตื่นนะ เป็นหนักวันทีตอนหนักก็เผลอฝันเรื่องอะไรก็ไม่รู้นั้นทีวีที่ใจเราเนี่ยไม่เคยพักเลยเปิดน่ะสลับช่องกันไปเดี๋ยวก็หนังเดี๋ยวก็ละครเดี๋ยวก็เพลงเดี๋ยวก็ทุบเดี๋ยวก็สุนดนะสลับไปตลอดทั้งวัน่ะแต่การมีสติเหมือนกับการที่เราสร้างปวามรู้สึกตัวแล้วก็ ก็จ like. ัดปิดเหมือนบ้างการปิดส่วนหนึ่งทําให้สมองได้พักส่วนหนึ่งทําให้ใจได้พักซิ่งสมองเกิดขึ้นเพราะใจเราหลงไปก่อนก็เลยเกิดเป็นความคิดนะใจเราเกิดความชอบเกิดความไม่ชอบอย่างเช่นเราโกรธขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ทันเราก็เลยเป็นจมในความโกรธก็เลยถูกปุณแต่งใช่ไ นนี้มาว่าเราบางคนก็ยังสงใสเราไปทำอะไรผิดทำไมเขาถึงมาว่าบางคนก็ไม่พอใจจะ ต, ต้องไปทำไงก็ตอบดีแต่ไปอธิบายหรืไปว่าก็ตอบดีนะแต่อะไรคือนี่คือเรียกว่าเราไปจมกับวองโกรธล้วก็เลยปุงเราก็เลยคิดนะไปเรื่อยๆนะนะนะอันนี้คือเราก็เปลี่ยนไปแหละนะ ความโกรธบ้างความอยากได้บ้างความหลงเพลินบ้างอันนี้อย่างที่มาบอกว่าโทรถ้าเราไม่เคยปิด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยนะส <c oughs> มองก็เลยไม่ได้ทักจิตใจก็เลยไม่ได้ทักแต่ครา้นี้เราจะลองมาฝึกนะฝึกสิ่งที่เรียกว่าการสร้างความรู้สึกตัวฝึกนะกันมีสตินะ โดยการที่อะไรรู้เท่าทันร่างกายของตัวเองรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองนะเมื่อไรที่เรารู้ตัวว่าตอนนี้สมองกําลังคิดอะไรตก็ไม่รู้ไหลนะถ้าเรารู้ตัวความคิดจะดับทีนะ่จริงนะเหมืนเรารู้ตัวเมื่อไหรความคิดจะดับเหมือนเราเสือไปถูกนะเป็นถูกของ น, นอน มือมันจะชักขึ้นมาทันทีหรือเราไปยกินข้าวแล้วกัดดินตัวเองไหมไม่ได้ตั้งใจจะกัดนะแต่พอมันเจ็บับขึ้นอ่ะมันเจ็บนิดนึงเนี่ยมันก็จะไม่มันจะไม่งับลงมตะมีเจ็บมมากกว่านั้นใช่ไหมพอรู้ตัวกัดดินแลวอ้าวมันก็ถอนออกมานะมันเมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าเราเผลอติดคิดกระบวนการความคิดจะต่อไปหรือถ้าใครรู้ชัดขึ้นนะ เห็นกระบวนการที่เปิดิสถืออะไรตัวอย่างหนึ่งแล้วมันมันพุ๊นะมันก็จะขายปุ๊นะอย่างตัวเองเมื่ีก็เคยเนะี่ยเห็นตัวเองนะตอนก่อนบวชนะเคยโกรธนะไปโกรธอาจารย์มากเพราะว่าเราคิดว่าเราถูกเราคิดว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมไม่ชอบทำนะเราก็ยึดความถูกต้องที่เราคิดว่าถูก เราคิดว่าเราทําเนี่ยเพื่อความชอบทำเราก็ชอบทะเราที่โกรธเขาเราก็คิดอย่างนั้นนะคิดอย่างนั้นคิดเพราะเรามองในมุมของเราเองนะเราต้ก็มีเหตุผลที่อธิบายเพื่อที่เหตุผลนี่มันมันออกเก่งนะเพราะไอ้ที่เราคิดเราก็มองมีเหตุผลถูกต้องแล้วแหละแต่สิ่งที่เราไม่รู้ตัวคือเราเราจมในความโกรธแต่พอ มีอาจารย์ท่านนึงท่านราทักว่าสุขิต า, ค, ะนะาคิ้วเราปุบโวแล้วนะอเราไม่มีกระเจกเห็นคิ้เวเราปูกโวแต่เราคำว่าปูกโวมนคืออาการประจุดที่มันเป็นความเครียดนะความเครียดจิตมันมาเห็นว่าคือมันเครียดอยู่โกรธอยู่เห็นความทุกข์ของของอาการโกรธนะความโกรธก็มันก็สลาย มันก็จะไหลไปของมันเองตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกอันนี้เรียกว่าอะไรนะพอเราบวชพอมาได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็เจนสภาวะแบบนี้แหละน่ะเรื่อยๆเบ่อยๆอยอ๋อค่อยมาย้อนคิดว่าเที่จริงสภาวะแบบนี้มันก็เคยเกิดขึ้นนะตอนที่เราโกรธตอนที่เราทุกข์มากๆแล้วพอเราแค่นย้อนกลับมาเห็นมันก็มันก็คลายไปนะแต่มัน อ, อาการพวกนี้นะมันก็เกิดแค่ แค่แรกหนึมันก็หายเพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกต่อไม่ได้ปฏิบัติต่อมันก็ก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังไปหลงเรื่องอื่นเยอนะก็ยังไปหลงนะตุกลงทุกษนะามโรคียู่แต่อย่างน้อยก็เหมือนท่านไหให้เราเห็นว่าอ๋อการแค่เห็นความโกรธหรือรู้ทันความทุกข์ในใจมันทาให้เราคล า, ายความโกรธคลายความทุกข์ได้นะเมื่อเราภาวนานก็เหมือนกันน่ะ ถ้าเรารู้ทันจิตใจนะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือเป็นความคิดนะจิตมันจะคลายของมันเองนะมันจะคลายของมันเองนะแต่การจะเห็นจิตใจการจะเห็นความคิดมันเป็นเรื่องระเอียดก่อนเนาะหลมพ่อเทียนนะ่ะหรือครูบาอาจารย์หลายๆรูปท่านจะเน้นให้เราเริ่มต้นในการเห็นกายก่อนมันมันง่ายกว่านะ การที่กายเราเคลื่อนไหวกลายมันเป็นรูปธรรม ท, ที่ที่เห็นได้ชัดเนะีนะ่ยครูบาอาจารย์จะเน้นให้เริ่มที่กายก่อนนะกายที่เริ่ม อ, อย่างสายของก็เทียนแค่จะเริ่มกายที่มันชัง่งๆหยากๆเนะเช่นการยกมือนะการเคลื่อนไหวที่มันแรงแรงถ้ามันไม่ชัดก็ทำแรงขึ้นนะเนะีนะ่ยกระทบให้มันหนักขึ้น เรียกว่า น, นี่คือความรู้สึกตัวนะคือให้เรารู้ตัวว่าตอนนี้กำลังทำอะไรแค่นี้เองนะที่จริงเรามีการเคลื่อนไหวตลอดอยู่แล้วแต่เราลืมตัวเราเคลื่อนไหวเป็นแบบอัตโนมัติเคลื่อนไหวเป็นแบบตามความเคยชินเราเรากิงข้าวเราก็กินได้นะไม่กัดวิน้นนะแต่เราก็คิดได้ถ้าเราปัดเลือกเราแปลงฟันเราก็แปลเป็น อาจจะสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างนะแต่เราก็แปลงเออเป็นเตร็จทุกวันแต่เราก็คิดนั่นคิดนี่เราเดินเองก็เหมือนกันดูนั่นดูนี่คิดนั่นคิดนี่แต่คร น, นี้การฝึกคือว่าเราทำอะไรนะร่างกายทำอะไรให้ใจคอยดูคอยรู้นะนะมันทำไม่ยากนะแต่มันจะมีความหลง เผลอไปบ่อนยะแต่หลงไปให้เป็นไรนะนะเราเรียกว่ากลับมารู้สึกตัวนะร่างกายทําอะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้สึกตัวหรือถ้าเราหลงไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวใหมนะ่อันนี้เรียกว่ากายนะกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกตัวนะใจเป็นสุดดูดู้รู้นะกายทําอะไรก็แล้วแต่แค่รู้สึกนะรู้สึกถึงการมี มีร่างกายอยู่ในตรง น, นั้นอย่างเช่นเรานั่งอยู่นะรู้สึกถึงการนั่งไหมหรือว่าเราก็อยู่กับความคิด <c oughs> เราคิดนะหรือเราสังเกตไหมตอนที่เราทันเล่นุ๊บเล่นลายเนี่ยจะ เ, เห็นตัวเราเป็นผู้ดูโทรศัพท์ไหมหรือว่าใจเราไปอยู่ในใน ในเฟซบุกในไลน์ในอินเทอร์เน็ตที่เราดูหรือเราดูโทรทัศน์อะเรารู้สึกตัวว่ากราลปกำนั่งดูโทรทัศน์หรือมหรือว่าใจเราไปอยู่ในเรื่องราวที่ดูเนี่ยไปอยู่ในเรื่องราวที่ดูเช่นเรื่องน้สนุกเราก็ไปกินในความสนุกเรื่องนี้เศร้าเราก็ไปยินในความเศร้านะอันนี้คือ เราเรียก ว, ว่าใจเราถาลํงไปอยู่เนาะนะแล้วคนอยนี้นจะถลําไปอยู่แบบนี้นบ่อยๆเปลี่ยนไปเรห่อยเราก็สืกเพียงแค่เป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตนะไม่ต้องทําอะไรนะนะแต่มันจะยากตรงความเคยชินที่เราเคยไ ป, ไปอินกับเรื่องราวต่างๆอันนะี้เราก็จะไปตามอารมณ์ไปเรืนะ่อยะต้องคอยรู้ทันเนาะพอเรารู้ทันเราก็ หนึ่งสิกลันมาและอีกส่วนหนึ่งบางทีเราก็น้าใครเป็นคนชอบใช้ความคิดอนะมันจะมีตัวนหนึ่งที่ชอบวิภาษ์วิจารณ์วิเคราะห์วิจยัจยหาเหตุผลกนะับอาการที่มันเกิดขึ้นในตัวเราหรือว่ากับอาการของความคิดนะมันจะคอยสงสัยนะมันจะคอย วิจาร์อย่างนั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ถูกไม่ถูกนะเนี่เคยสังเกตไหมเวลาเราดูข่าวนะเราไม่ได้ดูแต่ข่าวนะแต่เราก็คิดไปด้วยคนนี้ดีเนาะคนนี้ชั่วเนาะเนะีพูดแบบนี้ถูกเนาะพูดแบบนี้ไม่ถูกนะเออเราก้าเป็นนักวิจาร์เนะียไม่ได้มีใครจ้างนะไม่มีคอลัมน์แต่เราวิจาร์ในหัวของเราเนี่ยแหละนะแต่บางคนก็ไม่ใช่แค่นั้นเนาะใช่ไหม เดี๋ยวนี้สื่อมันง่ายในการที่เราจะแส ด, แดงความเห็นเราก็พิมพ์ออกไปใช่ไหมนี่ก็คือเราก็ไม่ได้ดูเฉยเฉยเราก็วิาพากษ์วิจารกัด้วยนะนะเราจะทำไงที่เราจะไม่อินไปกับเรื่องราวที่เราดูแล้วก็ไม่หลงไปวิภากษ์วิจารถูกผิดดีไม่ดีนะนะไม่ใช่มันเกิดไม่ได้นะแต่ให้เรานะ ลองดูมันดอ่าความคิดนี้มันมันเป็นอย่างไรเนี่ยเราฝึกเป็นผู้ดูนะแต่ก็อย่างที่ว่าให้เราเริ่มต้นจากให้เรามีสติในการดูร่างกายร่างกายเขาทาอะไรคอยดูมันเมื่อเราดูร่างกายที่เราเริ่มแรกใส่ร่างกายที่แบบตั้งใจนะเรียว่ามีเจตนาสร้างเนี่ย อย่างวันนี้เราจะมีเจตนาในการสร้างการมีเจตนาสร้างก็คือการทำสมถานั่นแหละเจตนาในการยกมือเจตนาในการเดินเจตนาในการหยุดนี่คือเจตนาที่เราสร้างพุทธเจตนาเรียกว่ากรรมกรรมคือเจตนาถ้าทำอะไรที่ไม่มีเจตนาไม่เรียกว่ากรรมนี่ การคูเจตนานะเจตนาตัวนี้เราสร้างเพราะอะไรเพราะเคยความเคยชินเก่าเก่าเคยเด่นมักจะหลงเราเรีสร้างเกตนาในการรู้นะสร้างการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดเจตนาในการรู้ตัวนะสร้างความรู้ตัวแต่ถ้าใครเจตนาแบบจงใจเดินไปมันจะกลายเป็นเพ่งจ้องมันมเราก็สุกสังเกตนเนี่ยอ๋อมันตั้งใจเกินไปเนี่ย เหมือนเมันมันเพ่งเจ้าเนาะอืมเหมือนเราเหมือนเราขับรถเนาะเหมือนเราขี่จักรยานใหม่เราก็อยากจะขี่ให้ได้เราก็เกรงเกินไปการเกรงเกินไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะขี่ได้นะมันก็ทำให้เราล้มใช่ไหมอืออันนีคือการภาวนาเป็นการเรียนรู้ดูสภาวะคาว่าให้มันพอดีให้มันเป็นกามใจอยู่ตรง สภาวะที่ดูเนะี่ะมันเป็นแบบไหนมันไม่มีคำอธิบายแต่มันเป็นการที่เราลองดูลองดูแต่เดียเพราแบบนี้เรียกว่าพอดีแบบนี้เรียกว่ามันจมใจเินไปมันเครียดเินไปมันจ้องเกินไปหรืออีกแบบหนึ่งก็คือโต้ไปมันหลงมันเพลินนะทำไปก็ยกมือแต่ท่าแต่ใจอยู่ไหนก็ไม่รู้ เดินเองก็เหมือนปัดกันก็คิดไปนะเรามีเจตนาในการกลับมาดูกลับมารู้กายเคลื่อนไหวนะสิ่งที่เราสร้างก็ดีอย่างถ้ารูปแบบของก็เทียนแล้วก็ดีในแง่ว่าการเคลื่อนไหวเช่นยกมือสิบสี่จังหวนะมันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดให้เกิดความรู้สึกตัวทีละครั้งนะทะทีละครั้ง แครู้แล้วก็วางรู้แล้วก็จบทีละขั้นจิตคนเรามันรู้อารมณ์ทีละอยา่างรู้จบรู้จบรู้จบรู้จบไม่ใช่แบบไม่ใช่เอาจิตดวงหนึ่งนะรู้อันนั้นเป็นการประกองเป็นการมันจะเป็นสมาธินะมันเป็นสมาธาเป็นสมาธิแต่การเจริญวิปัสสนา จะเน้นการรู้ทีละครั้งรู้รู้รู้ให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยเราวก็เทียนเช้คนันว่าให้มันรู้เป็นลูกโซ่เป็นเหมือนโซ่เป็นข้อที่มันต่อแต่ถ้ามันรูย้ยาวๆไมันจะเป็นเหมือนเหล็กเส้นนะมันจะยาวเมื่อเป็นเล็กเส้นมันจะอมอลำบากนะแต่ถ้ารูปเป้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อนะ หรือถ้าเราคิดถึงจุดไข่ปาเวลาเราลากกอไก่มันมีจุดไข่ปามันเป็นจุดจุดจุดจุดจุดจิตของเราก็เป็นแบบนั้นแหละให้เรารู้ทีละครั้งรู้รู้รู้นะเนี่เคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกหรือถ้าใครเคยฝึกมาพอสมควรก็เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้ เพื่อนก็รู้หยุดก็รู้แต่คำว่ารู้นี่ไม่ต้องพูดกับ่ารู้นะเป็นเพียงแค่รู้สึกด้วยใจรู้สึกด้วยกายรู้เฉยเฉยรู้ซื่อไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้สมองรู้สึกต่อไปพอรู้สึกกับกรรมาฐานตรงนี้บางทีก็จะมีความรู้สึกแทรกบางทีก็หายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกกับคิดตาก็รู้สึก อาการปวดเมื่อยก็เป็นความรู้สึกตัวหรือเมื่อใจมันเกิดความคิดเราเห็นห้องมันโดกไปคิดรเราก็รู้สึกตัวกลับมานี่ความรู้สึกตัวที่กายที่เราสร้างก็ดีนะอันนี้อย่างที่หนึง่งหรือความรู้สึกตัวที่ธรรมชาติมันสร้างเองก็ดีการคิดตาหายใจห้าปากอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวอย่างที่สอง คารู้กตัวอย่างที่สามคือมันมีเวทนาเกิดขึ้นนะเวทนาของกายก็ดีหรือเวทนาของใจเป็นสุดเป็นทุกข์ก็ดีอันนี้ก็คือความรูนะ 3, นะ้สึกตัวนะที่สามนะหรือความรูกตัวอย่างที่สี่คือใจนะมันคิดเราก็รู้สึกใจไม่คิดเราปรู้สึกใจนะมันสงบเราก็รู้ ใจปุ้ตามันก็รู้นะเรียว่ารู้ใจนะนะที่จริงมันเป็นอาการของใจนาะมันไม่ใช่ใจจริงๆหรอกนะแต่จริงๆก็อย่างที่ว่ามันไม่เป็นอะไรแต่บางทีเราจะเห็นอ๋ออาการของใจเป็นแบบนี้ใจมีความโกรธนะมันก่จถ้าเรารู้เราจะไม่เป็นผู้โกรธเราจะเป็นผู้ดูความโกธอนนะั้มันจะค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นนะเรีว่ามีสตินะดูนะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะ หลวงพ่อคุเขียนท่านใจว่าสติคือนักศึกษาศึกษาอะไรตายใจคือตาําราคือห้องเรียนอเมื่อเราเรียนหนังสือนะสติคือเราเป็นผู้เรียน เ, เป็นผู้ศึกษาถ้าเรามีสติเราจะเป็นนักศึกษาแล้วก็เรียนรู้ความเป็นจริงเนาะคำว่าเรียนรู้คือไม่ได้ไปรู้แบบต้องไปผ่านพระเจ้ากินกทั้งหมดนะ ว่าเรียนรู้คือเรียนรู้ร่างกายเรียนรู้จิตใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละเราเรียนรู้ตรงนั้นนะแหละแล้วมันจะเกิดปัญญานะปัญญาเข้าใจว่าอ๋อที่เราคิดว่าร่างกายจิตใจนี้เป็นเรานะมันก็จะไปเกิดสติ ป, ปัญญาอ๋อมันเป็นพแค่รูปกับนาม หรือไอที่เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ที่จริงมันเป็นเพียงแค่ความทุกข์ของรูปแล้วก็ความทุกข์ของนามที่เราคิดว่าอันนี้มันเป็นสุขแต่จริงความจริงคือทุกข์ที่เราคิดว่ามันต้องเที่ยงมันต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปความจริงคือความไม่เที่ยงความคิดที่เราว่าอันนี้เป็นเราเป็นขอบของเราเป็นตัวตนของเราแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ตัวตน บังคับมัญชาไม่ได้เรียก ว, ว่าเห็นใจรักนะ่ะเมื่อไหรที่เราเข้าใจไจรักเนะี่ยจิตมันจะเบานะนะแปลว่าเบาคือมันไอ้ที่เราเคยแบกเคยยึดอะไรองอย่างมันจะดูดไปหูเกือบหมดเลยแหละนะนะนี่คือเราจะเข้าใจความจริงพวกนี้แหละนะนี่คือตัวปัญญาคือตัววิปัสนาคือตัวพุทธ คือตัวพุทธศาสนาคือตัวนี้นะเพราะศาสนาไม่ใช่เป็นแค่พิธีกรรมใส่บาตรทาบุญนะไหว้พระนะแต่พุทธศาสนาคือทำอะไรเราต่อจะเกิดความรู้ตัวตื่นออกมาจากความหลงนะมีจิตที่เบิกบานมีความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือการส่าความสุ้ตัวจะทำให้เราเกิดสภาวะตรงนี้เนาะเนี่ยก็อ่า พูดให้ฟังเข้าใจไหม <c oughs> เข้าที่หัวหรือเข้าที่ใจนี่ก็ให้เป็นเหมื อ, มอมนใกล้ลายเนาะใกล้ลายในภาพปฏิบัตินะอย่าที่บอกว่าธรรมะพูดให้ฟังเพื่อให้เราเอาไปปฏิบัตินะถ้าเราเรียนแค่รู้จำรู้จักแต่ถ้าเราไม่รู้จริงรู้แจ้ง มันก็ไม่เกิดผลนั้นก็ต้องเอาไปลองปฏิบตัติดูเพราะตอนปฏิบัติจริงๆมันจะเจออารมณ์นะเจออาการในหลา ย, ลายอย่างลองสังเกต ด, ดูทําอย่างไรเราถึงจะรู้สึกตัวขึ้นมาทําอย่างไรเราถึงจะรู้ออกจากอารมณ์ได้เช่นความง่วงนอนความฟุ้งซ่านความคิดต่างๆ ท, ทําำไมเราถึงจะดลุดมาจากตรง น, นั้นได้เป็นผู้ดู มีสติตอยู่อยู่อันนี้คือเป็นการฝึกหัดเนาะมีหลายคนปฏิบัติทำแล้วหลายหลายวันเพราะที่ปฏิบัติทําไม่ได้มีอะไรมากเนะี่ยแค่ทําให้มันเป็ น, <c oughs> นไม่มีอะไรมากทําให้มันเป็ น, น, นแค่นั้นเองนะไอ้ที่รู้มาเนี่ยมันมันรู้มากแต่ปฏิบัติเพื่อทำให้มันเป็นเฉย ๆ, ๆทําให้มันก็ ให้มันรู้จักเพราะมันหนมเป็นแบบนี้มันเครียดเป็นแบบนี้เพราะตรงการลางคือทําให้มันเป็นเหมือนเราขัดขับรถเราก็ขัดให้มันเป็นไม่ใช่หัดให้มันรู้ใช่ไหมเนี่ยที่ทาอะไรทําให้มันเป็นอ่านภาวนาคือตรงนี้นะนะก็ก็ฝากไว้นะ